ー ก็ด้วยเหตุผลหรือสาเหตุต่างๆกันบางคนมาก็เพื่อจะได้ทำบุญบางคนมาก็เพราะหวังจะสะกเคราะห์บางคนมาก็เพราะหวังโชคหวังลาบหวังวัตถุมงคลอ่าที่จะนาไปสู่ความสุขความเจริญหลายคนก็มาเพื่อภาวนาเพื่อประพฤตปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราอ่าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็คงจะมาด้วยวัตถุประสงค์ข้อนี้ เพราะที่นี่นะไม่มีวัตถุมงคลจะให้นะไม่มีโชคลาภที่จะบรรดาที่เกิดขึ้นอันนี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนก็มาหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปบางคนมาปฏิบัติธรรมก็เื่อหวังความสงบบางคนมาก็เพ่อหวังนะจะ ดับทุกข์ให้หมดสิ้นบางคนก็หวังจะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะจะได้กลับไปเรียนหนังสือให้ได้ดีทำงานให้ประสบความสำเร็จก็มีเหตุผลแตก ต, ต่างกันไปซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่เราสามารถจะได้จากการปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นและมีอันหนึ่งที่อยากจะให้เราลองพิจารณา และถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราถ้าหากว่าเราปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นคือทำให้เราเนี่ยรักตัวเองอย่างแท้จริงหรือว่ารักตัวเองเป็นพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ า, าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่หรือแม้ปล่าจะบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าก็ รักรักไม่เป็นนะสมัยนี้เนี่ยคาว่ารักไม่เป็นนี่ใช่ได้นะกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ได้นะพ่อแม่รักลูกแต่ก็รักไม่เป็นก็เลยทำให้ลูกเสียผู้เสียคนหรือว่าคู่รักนะก็รักกันไม่เป็นนะก็ทำให้อยู่กันได้ไม่ยืดนะแต่ไม่ได้ความระหองระแหงนะอันนี้เป็นปัญหาของคนในยุคนี้ แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่างเดียวนะแม้กระทั่งกับตัวเองคนส่วนใหญ่ก็รักไม่เป็นพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะพูดอย่างนี้เพราะว่าประการแรกคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีอาการอย่างหนึ่งนะก็คือทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่หมายถึงอยู่คนเดียวนะก็จะมีอาการกระสับกระส่าย ยื่งวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยเนี่ยไม่มีโทรทัศน์ไม่ไม่มีเครื่องมือที่จะติดต่อผู้คนเนี่ยนะจะมีการกระสับกระส่ายมากเลยเวลาไปไหนเนี่ยแทนที่จะถามว่าเออที่นั่นมีอะไรดีบัง่งอย่างแรกที่มักถามก็นคือว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าแม้จะเป็นที่ที่ดีที่สวยงามแต่ถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ฉันก็ไม่ไปที่ ให้ความสําคัญกับสัญญาณโทรสก็เพราะว่ากลัวเหงากลัวเห Hal งาเหงาคืออะไรเนี่ยเหงาเกิดขึ้นเมื่ออยู่คนเดียวแต่ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวก็น่าจะมีความสุขนะเวลาเราเรา <c oughs> ักใครหรือเรารักอะไรเนี่ยเราก็มีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้สิ่งนั้นหรือได้อยู่ใกล้คนนั้นรักพอ่อรักแม่ก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ท่านรักลูกก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ลูกรักแฟนก็เช่นเดียวกันนะ ก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้เขาหรือเธอบางคนก็มีความสุขกับการได้นะ่ะดูพักเครื่องเพราะว่ารักพักเครื่องนะก็อยู่กับพรักเครื่องได้ทั้งวันบางคนรักรถเนี่ยก็มีความสุขกับการแต่งรถมีความสุขกับการนะทําความสะอาดเช็ดรถในท้องเดียวกันถ้ารักตัวเองก็ต้องมีความสุขเมื่อได้อยู่กับตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย จะพยายามที่จะหนีห่างจากตัวเองตลอดเวลาเวลาอยู่คนเดียวก็ต้องพยายามทำโน่นทำนี่โทรศัพท์ถึงเพื่อนโทรศัพท์ถึงใครตอบใครหรือไม่ก็เล่นไลน์เล่น a c e b o o k ก็เล่นจนหลับหรือไม่ก็ดูโทรทัศน์ตลอดทั้งคืนถ้าไม่มีโทรทัศน์นี้ก็ก็งุนง่านเหมือนกันต้องดูโทรทัศน์จนหลับไปเลยนะจะให หลับไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีโทรทัศน์ไม่มี l ลน e ไม่มีเฟไม่มีโทรศัพท์นี่ทำให้นอนไม่หลับก็มีหรือมิฉะนั้นก็ต้องออกไปนะเที่ยวห้างไปช้อปปิ้งนะไปสังสรรค์กับผู้คนพยายามทาตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างนี่เป็นอาการหนึ่งนะของคนที่ของคนที่บอกว่ารักตัวเองนะแต่ที่จริงไม่ได้รักตัวเองหรอก เพราะว่าพยายามหนีห่างจากตัวเองตลอดเวลาบางคนก็พยายามหาโน่นหาหนี่ทำอยู่คนเดียวไม่ได้หรืออยู่ว่างๆก็ไม่ได้พวกเรานะที่มาปฏิบัติธรรมที่เนี่นะถ้าเป็นคนที่มาใหม่เนี่ยหรือจะมากี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าได้อยู่คนเดียวหรือว่าได้ปริวิเวณเนี่ยจะมีอาการนะกระสับกระส่ายจะมีอาการ งุญงานเนี่ยมีการเบื่อเนความเบื่อเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่พยายามผลักให้เราเนี่ยหนยีจากตัวเองได้ไปทำโน่นทำนี่หลายคนพอภาวนาภาวนาได้แค่วันสองวันก็ทนไม่ได้บางทีก็อยากกลับบ้านมังละบางทีก็อยากจะหาอะไรทำอยากเข้าครัวบัว่งละพอเวลาเข้าครัวหรือไปทำโน่นทำนี่หรือแม้แต่จับไม่กวาดกวาด ใบไม้เนี่ยมันก็ทำให้สบายใจเพราะว่าไม่ต้องทนอยู่กับตัวเองนะมีนักปฏิบัติบางคนเนี่ยอยู่บ้านนี่ก็ไม่เคยสนใจจะจับไม้กวาดเลยนะแต่พอมาภาวนานะต้องอยู่คนเดียวท่ามกลางผู้คนพูดคุยก็ไม่ได้เห็นไม้กวาดนยอยากจะจับนะเห็นใบไม้อยากจะกวาดกวาดแล้วก็กวาดอีกเห็นใบไม้ตกแค่ใบเดียวก็ยังอยากจะไปกวาด ไม่ใช่เพราะเขยยันไม่ใช่เพราะรักสะอาดตอนะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เพราะว่ามันเบื่อมันเซ็งอยากจะหนีตัวเองก็เลยอยากจะหนีตัวเองเข้าไปอยู่กับการงานอันนี้ต่อก็ต้องดูให้ทันนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่พูดว่าทังคนเราเนี่ยไม่ได้รักตัวเองหรอกส่วนใหญ่อีกเหตุผลนึงก็คือว่าคนเราเนี่ยมักจะทาร้ายตัวเองอยู่บ่อย อาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายตัวเองนะก็มีเหมือนกันนะ่ะพวกที่พยายามกินข้าวน้อยๆ อ, อดอาหารนะให้ร่างกายผายผอมเพราะคิดว่าจะทำให้ร่างกายมีส่วนทรงที่สวยงามหรือว่าไม่ไม่ก็ไปไปให้ไปจ้างให้คนเอามีดมาผ่าผ่าหน้าบ้างผ่าตาบ้างนะผ่าจมูกบ้าง หรือว่าผ่าร่างกายบ้างเจ็บก็ยอมนะก็เพราะว่าอยากจะสวยอยากจะมีรูปร่างสวดทรงที่น่าพึงพอใจอันนั้นก็อันหนึ่งยกไว้นะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่ทาอย่างนั้นแต่ว่าที่ทำกันมากนะเรียกว่าจะร้อยทั้งร้อยเลยก็คือว่าการชอบ ทำรายตัวเองในทางจิตใจอย่างเช่นเชิดมีความโกรธนะก็เก็บความโกรธเอาไว้นะพยายามเก็บความโกรธให้มันเผาลนใจทั้งที่โกรธทีไร ก, ก็ทุกทุกทีกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็แย่แต่ก็ยังเก็บยังถนอมหวงแหนความโกรธเอาไว้นะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมคิดแม้แต่จะให้อภัย เวาเศร้าก็เมืกันนะเก็บความเศร้าไว้พยายามหวงแหนความเศร้าเอาแต่เจ้าจุกนะคนชวนให้ไปเที่ยวโนูน่นเที่ยวนี่เขาหวังดีบางทีก็ชวนให้นะไปทำนูน่นทำนี่นะจะได้นะคลายจากความเศร้าโศกก็ไม่ยอมนะฉันจะนั่งเจ้าจุกอยู่อย่างนี้แหละถนอมนะหวงแหน นะความโกรธนะความเศร้าอารมณ์ที่มันบีบคั้นใจเนี่ยนะต่างๆเช่นความรู้สึกผิดความอิจฉาดุษย์ยานะความโลภผู้นี้มันมันบีบคั้นนะมันทิ่มแทงใจทั้งน้นที่ทำให้ทุกข์นะเต้ก็ยังเก็บเอาไว้นะยังทนุถนอมมันอันนี้ถ้าคนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยนะหรือรักตัวเองเป็นเขาจะไม่ทาอย่างนั้น จริงๆไม่รักตัวเองตั้งแต่ตอนที่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับใจของเราได้อย่างไรนะหลายคนก็มักจะบอกว่าเป็นเพราะนะมีคนต่อว่าด่าทอฉันมีคนตำหนิตีเตียนฉันหรือว่าเงินหายของหายถูกโกงงานล้มเหลวพวกง่ายคือว่า เมื่อมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราที่จริงเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะถ้าเรารักตัวเองจริงๆนะเราก็ต้องพยายามที่จะปกป้องรักษาใจของเราไว้หรือว่าทําให้ความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเวลาโทรศัพท์หายเวลาเงินถูกโกงเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันเสียแค่นั้น นะก็กลับซ้ำเติมตัวเองนะด้วยการจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเสียแต่ของนะหรือว่าหายแต่เงินนะใจก็เสียด้วยแล้วมันไม่ได้เสียแค่ใจนะหนักเข้าก็สุขภาพก็เสียด้วยและบางทีก็งานก็เสียด้วยเพราะทำงานไม่ได้ แล้วก็ผ่านมีเรื่องมีราวกับผู้คนทำให้ความสัมพันธ์ก็เสียด้วย้เงินหายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีคนหยิบไปโทรศัพท์หายเพราะมีคนขโมยไปอันนั้นบางทีเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าการที่ใจเสียสุขภาพเสียงานเสียนะความสัมพันธ์เสียเนี่ยถามว่าใครทำนะเป็นเพราะเราปล่อยให้นะจิตใจนะมันซ้ำเติมตัวเองใช่ไหม ถูกต่อว่ า, าดา่าทอนี่ก็มันก็ถือว่าถือว่าแย่แล้วนะตอนนั้นไม่พอนะยังปล่อยใจให้จมอยู่ในความโกรธด้วยอันนี้เรียกว่าทาร้ายตัวเองนะคนหนึ่งเขาอาจจะตั้งใจทำร้ายชื่อเสียงของเราด้วยการใส่ร้ายเราแต่ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์อาจจะ ในด้านนึ่งก็ต้องพยายามมาเอาชื่อเสียงกลับคืนมาพยายามชี้แจงว่าความถูกต้องคืออะไรไม่ให้คนเข้าใจผิดแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์แต่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนใจไม่มีใครยัดเยียดความโกรธให้เราได้นะมันมีแต่เราทําเองไม่มีใครยัดเยียดความเศร้าให้กับเราได้มันมีแต่เราทําเองนะหรือว่าปล่อยให้ใจเนี่ยนะมันปรุงแต่งไปจกนกระทั่ง มีไฟเกิดขึ้นในใจเผาใจให้ทุกข์หรือว่ากรีดแทงจิตใจนะอันนี้เลยว่าซ้ำเติมตัวเองนะอันทารักตัวเองเนี่ยมันไม่มันไม่ซ้ำเติมตัวเองหรอกเนะียเสียของก็หยุดเท่านั้นนะไม่มีอะไรที่เสียหายมากไปกันนั้นนะถูกต่อว่าดาทอแต่ใจไม่ทุกข์นะคนเนี่ยเข้าใจเราผิดนะอันนี้ก็พอแรงอยู่แล้วนะแต่ว่า ไม่มีความเสียหายมากกว่า น, นั้นใจเราก็เป็นปกติได้เวลางานนะมันมีอุปสรรคงานไม่สาเร็จนะมันก็แค่ทำให้เราเหนื่อยขึ้นแต่ว่าใจไม่ทุกแต่บางคนเนี่ยเรียกส่วนใหญ่นะพองานมีปัญหาก็ปล่อยใจให้ทุกไปด้วยนี่คือซ้ำเติมตัวเองเสียทั้งงานเสียทั้งใจเวลาเจอรถติดนะรถติดก็ทำให้เสียเวลาอยู่แล้วแค่นั้นก็พอพอแรงแล้วนะ ก็ยังไปปล่อยให้ใจเนี่ยเสียสติไปด้วยงุดงิดงุนง่านแทนที่จะเสียหนึ่งก็เสียสองเวลาเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยเพราะอาจจะเป็นเพราะมละพิษมลภาวะเป็นเพราะเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคนที่รักตัวเองเนี่ยก็จะพยายามจากัดความสูญเสียหรือปัญห า, าให้มันน้อยที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ก็พอป่วยกายแล้วไม่พอนะ ซ้ำเติมเตือนด้การป่วยใจด้วยเอาแต่วิตกกังวลกลัดกลุ้มนะโกรนกระ ว, วายนะีอันนี้ไม่มีใครทํานะเชื้อโรคมันก็ไม่เคยทําเชื้อโรคมันได้แต่ทําให้เราปวดหัวปวดท้องเป็นไข่แต่เชื้อโรคมันไม่สามารถทําให้เรากลัวเรา ว, วิตกเราเป็นทุกข์นะแล้วบางทีความกลัวความโกรนกระวายความวิตกนี่มันมันน่ากลัวยิ่งกว่าเชื้อสิ่งนะ แม้จะเป็นเชื่อมะเร็งก็ตามเอาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะถ้าเขาป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยนะมังที่อยู่ยืด น, นะอยู่ได้ยืนยาวหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนก็อยู่ได้เป็นสามปีก็มีแต่คนที่ซ้ําเติมตัวเองนะเอาแต่กลัดกลุมวิตกกังวลนะพอรู้ตัวเองเป็นมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนบางทีอยู่ได้แค่สิบวันสิบสองวันก็มี อันนี้เพราะอะไรเพราะทำรายตัวเองซ้ำเติมตัวเองดัง น, นี้การภาวนานี่มันช่วยตรงนี้แหละนะมันช่วยทำให้ใจเนี่ยมันไม่หันมาทิ่มแทงตัวเองใจเราเนี่ยนะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติให้มาเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยหนีห่างจากอันตรายห่างจากความทุกข์ เรามีตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายเนี่ยนะเพื่อที่จะได้รับรู้อันตรายที่ใกล้เข้ามาตาเห็นสัตว์ร้ายนะหูได้ยินเสียงแปลกปลอมนะมันก็ทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะหนีจากภัยนั้นหรือถ้าหนีไม่ได้ก็จะสู้มันก็มีใจเนี่ยที่คอยช่วยนะว่าใจเนี่ยมันก็ช่วยคิดนะว่าจะจะหนีอย่างไรหรือถ้าจะสู้จะสู้อย่างไรเนี่ย อันนี้เราต้องใช้ใจเนี่ยในการคิดในการพิจารณาในการหาทางออกความกลัวนี่มันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนะเพราะคนร้นเนี่ยถ้าไม่มีความกลัวเสียเลยเนี่ยมันก็อันตรายได้ยินเสียงกุกกักหลังพุ่มไม้เนี่ยถ้าไม่กลัวเนี่ยนะก็อาจจะหนีสิงโตหรือว่าหนีสัตว์ ร, ร้ายที่มันเคลื่อนไหวรวดเร็วได้ไม่ทัน ไอ้ความระแวดระวังนี่ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยพาตัวเองปลอดภัยหรือว่าห่างไกลจากอันตรายได้แต่ใจนี่บางทีเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราใช้ไม่ถูกนะหรือว่าไม่รู้ทันเนี่ยมันก็สามารถจะมาแวงกับกลับมาสร้างปัญหากับเราได้เช่นตื่นตกใจหรือกลัวนะจนกระทั่งไม่เป็นานทำอะไรบางคนกลัวแม้กระทั่งลูกโป่งนะ เห็นลูกโป่งนี่โอ้ยเรียกว่าหัวใจเต้นเลยบางคนกลัวหนูบางคนกลัวตุ๊กแกทั้งดิตุ๊กแกกับหนูผมก็ไม่ได้ น, น้ากลัวเลยเลยหลายคนไม่กล้ามาวัดนะเพราะได้กิติศัพท์ว่าที่นี่เนะี่ยมีตุ๊กแกไดงกิติศัพท์ว่าที่นี่มีหนูเนี่ยไม่กล้ามาอันนี้ไอ้ใจของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันนะหรือว่าไม่รู้จักดูแลให้ดีนี่มันสร้างปัญหากับเราได้นะ ให้ความกลัวที่ไม่มีขีดจํากัดเนี่ยก็สามารถทําให้เราเป็นลมนะหรือว่าหัวใจวายตายได้ทั้งที่มันไม่มีภัยอะไรคุกคามเลยนะนอกจากสิ่งที่จิตเนี่ยมโนปรุงแต่งความกลัวก็เหมือนกันความกลัวก็เหมือนกันนะมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจ ะ, ะป่วยโรคจกนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกได้ ความน้อยเนื้อต่ําใจก็สามารถที่จะชักนําให้เราทําร้ายตัวเองบางทีถึงกับฆ่าตัวตายก็มีทั้งหมดนี่เป็นพ่อใจทั้งนั้นใจที่มันปรุงแต่งสารพัดมาเริ่มต้นจากการคิดต่วนนะคิดโน่นคิดนี่คิดไม่เป็นใจชอบไหลคิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วเกิดความอาะไรวาลหรือไม่ก็ไปนึกถึงอนาคตแล้วเกิดความวิตกกังวลกระวนกระวาย คนเราทุกข์เพราะความคิดนะทุกเพราะใจเนี่ยที่ไม่มีหางเสือก็คือว่าคิดไปสารพัดแต่การภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่ามันทาให้เราเนี่ยรู้ทันจิตใจสามารถจะกํากับจิตใจเนี่ยให้คิดเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าอยู่เป็นที่เป็นทางได้ เช่นถ้าเรามีสติเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะสําหรับการภาวนาคือการเจริญสติเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ทันความคิดไม่ปล่อยใจให้ไหลแปด่ดีลอยแป่นาคหลืว่จมอยู่ในอารมณ์เมื่อใจมันหลงไปแน่ดีอมีสติรู้ทันสติก็จะดึงจิต ก, กลับมานะอยู่กับปัจจุบันบางทีใจมื่อคิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามโนปรุงแต่ง ให้เป็นเรื่องลบเป็นเรื่องร้ายทําให้เกิดความวิตกเกิดความกลัวกระวนกระวายพอรู้ทันว่าใจมันเผลอไปแล้วดึงสติดึงจิตกลับมาไม่ทําให้เนี่ยเราสามารถที่จ ะ, ะมีใจเป็นปกติได้ เ, เวลาอยู่กับตัวเวลาอยู่คนเดียวนะใจมันจะคิดโน่นคิดนี่นทําให้เรากระสับกระส่ายกระวนกระวายเหตุผลที่หลายคนเนี่ยทนอยู่กับตัวไม่ได้เพราะความคิดเนี่ยมันแล่นไม่หยุด นะบางทีก็คิดถึงเรื่องอดีตบางทีก็นึกถึงอ น, นาคตทําให้วีตกกังวล้ถ้าไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรทํามันก็จะคิดวกวนอยู่กับเรื่องเนี้ทําให้หนอนไม่หลับก็เลยพยายามหนีตัวเองพยายามที่จะทําตัวให้วุ่นนําใจไม่ให้ว่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยนะให้การอยู่กับตัวเองมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะไม่มีคําว่าเหงา นะไม่มีคำ ว, ว่าเบื่อนะ ว, ว่างๆก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ว, ว่างๆก็ยกมือนะหรือว่าพลกมือไปมามนะัช่วยให้ใจมันอยู่กับกายดึงจิตกับมันอยู่กันเนื้อกันตัวเกิดความสงบเวลาใจมันจะคิดฟุ้งซ่านหรือว่าเกิดความกลัวนะก็รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเองรู้ได้ยังไงนะรู้เพราะมีสตินะ รู้เท่าทันคนร้อนเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักรู้จักทำความรู้สึกตัวเนี่ยพ<ม>าใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเสมอเนี่ยแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไอ้กิเลสที่มันทำให้ทุกข์ที่มันจะชักนำให้เราเควที่จะทำให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ามาเล่งงานจิตใจไม่ได้เราจะเป็นมิกฉาตัวเองได้ง่ายขึ้ น, นเพราะว่าเรา นะมีสติเป็นเครื่องรักษาใจเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยแต่เดิมนะพอไม่มีสติมันก็ซ้ําเติมตัวเองนะจมอยู่ในความเศร้านะหรือว่าถูกความโกรธเผาลนนะจนกระทั่งร้อนรุ่มหรือว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะรู้สึกไร้ค่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันรู้แล้วแต่เป็นการซ้ําเติมตัวเองเพราะว่าจิตเนี่ยนะวางไว้ผิดนะ พระเจ้าตัดว่าจิตที่วางไว้ผิดหรือจิตที่ฝึกไว้ผิดเนี่ยนะย่อมสร้างความพินาศยิ่งกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโจรกับโจรต่อสู้กันทําร้ายกันสี่นะเวลาโจรทําร้ายกันนี่มันเอาถึงตายนะหรือว่าก็เจ็บหนักนะแต่ว่าพระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยมันก็ไม่เสียหายร้ายแรงเท่ากับว่าจิตที่วางไว้ผิดเพราะจิตที่วางไว้ผิดนี่มันสามารถจะไม่เพียงแต่ทําร้ายตัวเองเนี่ยมันยังทําร้ายคนอื่น ทำร้ายคนรักของเราทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายลูกนะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวนะฆ่ายกครัวเงี้ยนะหรือที่หนักกว่านั้นคือว่าไปก่อสงครามสร้างความชิบหายหแก่คนมากมายอันนี้เรียกว่าจิตที่ไม่มีสติเป็นเครื่องรักษานะมันก็ทำให้สามารถจะสร้างความชิบหายได้ปู่เจ้าจัดว่าเนี่ย คนผ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคนที่ทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคือทำร้ายตัวเองเนี่ยนะผู้จักเรีย ok, เรียกว่าคนผ่านปัญญาสามถ้าทำร้ายตัวเองเนี่ยหรือว่าทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูเนี่ยนะอย่างยับย้างคือว่ า, าผิดศีลละเมิดศีลนะพอผิดศีลเข้าเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวล้ ไม่ว่าจะเป็นสี่งข้อใดก็ตามเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ ย, ยก็เตรียมตัวรับผลนะรับภิบากที่จะเกิดขึ้นได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าหาทุกมาใส่ตัวจากคนผิดศีลเนี่ยบางทีเขาเพราะเพราะเขาคิดว่ามันได้ประโยชน์นะเช่นขอรับชาตหรือขโมยเนี่ยนะก็เพราะหวังหวังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า การฆ่าสัตว์ก็เหมือนกันนะฆ่าสัตว์ก็เพราะว่ามันจะได้มีอาหารจะได้มีเงินนะเช่นยิงช้างยิงเสือเพราะว่าราคามันแพงนะอันนี้ก็เกิดจากการที่เห็นผลประโยชน์ระยะสั้นไม่ได้นึกว่าผลร้ายจะตามมาแต่ว่าในส่วนก็ตามมาจนได้แต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ไม่ได้ผิดศีลนะ อย่างพวกเรานี่ก็คงจะไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่าเราก็อดทากับตัวเหมือนเป็นศัตรูไม่ได้เหมือนกันนะคือทำร้ายตัวเองโดยการเอาความทุกข์เอาความเอากุศลอกุศลธรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในใจหงแหนทนุทน อ, นนอมนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจาังที่ไม่เห็นประโยชน์นะไม่เห็นประโยชน์จากสิ่งนั้นเลย ไอคนผิดศีลเนี่ยเขาทำเพราะเขาหวังผลประโยชน์ระยะสั้นนะแต่การทำร้ายตัวเองด้วยการเก็บเก็บถนอมอารมณ์ต่างๆเนี่ยรวมทั้งความคิดฟุ้งซ่านความคิดลบเนี่ยเราเห็นประโยชน์จากมันหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นประโยชน์จากมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันได้ประโยชน์อะไรนะแต่ว่าก็ทำลงไปอันนี้ในแง่หนึ่งก็แย่คนผิดศีลนะคนผิดศีลนี่เขายังก็าทำเพราะเขาเห็นผลประโยชน์เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแนมะ้จะเป็นประโยชน์ระยะสั้น หรือแม้เป็นประโยชน์อน้อยนิดนะเมื่อเทียบกับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือความาหรือปัญหาที่จะตามมาในการที่เราเก็บความโกรธเอาไว้เก็บความเศร้านะเก็บความเสียใจกระวนกระวายไว้เอาแตนะ่ปล่อยให้มันทาร้ายตัวเองเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เราก็ยังทําอันนี้แหละนะที่เรียกว่าไม่รักตัวเองเแท้จริงรักตัวไม่เป็น แต่ถ้าเรามีสตินะมันจะเห็นเลยนะว่าที่ทํางี้นะมันเป็นโทษเป็นโทษแท้ๆเลยในเมื่ อ, อเสียของแล้วนะทําไมต้องปล่อยใจให้เสียไปด้วยในเมื่อป่วยกายแล้วทําไมต้องปล่อยให้ใจป่วยด้วยในเมื่องานมันล้มเหลวแล้วทําไมต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกล้มเหลวตามไปด้วยคนที่มีสติคนที่มีปัญญาก็จะไม่ทําอย่างนั้นนะแต่ก็เผลอทําเพราะไม่มีสติเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติเมื่อไหร่นะ เราจะเราจะสลัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปจากใจนะเราจะเห็นโทษของการที่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครองใจแล้วเราก็จะพยายามรักษาใจไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ เ, เนี่ยเข้ามาเล่หงานติตใจเรื่องตัวแต่ความคิดนะความคิดมันปรุงแต่งยังไงก็ไม่เผลอให้มันปรุงไปเรื่อยๆรู้จักหยุดรู้จักวางนะหรือว่ารู้จักทักท้วงไม่เชื่อมันอันนี้คืออ น, นุอนิสงส์อย่างหนึ่งของสตินะ ของความศึกตัวนะซึ่งไอสิ่งที่เรามีในซึ่งเราก็มีอยู่แล้วนะในในชีวิตประจำวันของเราแต่มันไม่พอนะมันยังน้อยเกินไปมันยังไม่สามารถจะรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหรืออาจจะไม่พอรับมือกับพายุอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรานะในวันข้างหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเจริญสติมาภาวนานะให้มันมีความ ให้สติมันรวดเร็วให้ความรู้สึกตัวตั้งมั่นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเครื่องรักษาใจนะจะไม่ปล่อยให้จะควบคุมใจเนี่ยไม่ให้หันกลับมาทําร้ายทิ่มแทงตัวเราไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยมันกลับมาเล่นงานนะจิตใจตัวเรามันก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกายนะภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากในการป้อง ก, กันโรคไม่ให้เกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเนี่ยมันเกิดเพี้ยน นะมันวกกลับมาทํำลายตัวตัวเองเช่นกินเม็ดเลือดแดงนะหรือไม่ก็มาทํำลายเนื้อเยื่อต่างๆเพราะคิดว่าเป็นเซลล์แปลกปลอมเกิดเป็นเก้าขึ้นมาเป็นโรคพุ่มพวงเป็นโรคสารพัดเรียกว่าโรคนะแพ้ภัยตัวเองใจของเราก็สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้นะมันจะกลับมาทิ่มแทงตัวเองแทนที่จะพาตัวเราหนีภัยอันตรายมันกลับสร้างภัยอันตรายกับตัวเองเพราะว่ามันไม่มี สิ่งที่จะมาช่วยกำกับได้สิ่งที่ช่วยกำกับก็บคือนะสะติและปัญญาความรู้สึกตัวรวมทั้งสมาธิด้วยแล้วนะสิ่งเหล่านี้นี่มันถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่พัฒนาไม่เสริมสร้างนะวันดีคืนดีจิตลาก็จะเกิดพยศขึ้นมาเกิดเพี้ยนขึ้นมานะทำร้ายตัวเองจนกระทั่งนะอาจจะถึงกับปิดชีวิตตัวเองก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเราภาวานาอยู่เสมอจนถ้าสติของเรารวดเร็วฉับไวนะมีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเราก็จะสามารถนะควบคุมใจนะให้ไม่ก่อทุกข์กับเราแถมจะพาพาช่องเราเข้าสเข้าถึงความสุขที่ประ n ี e ยิ่งขึ้นไปได้วยซ้ำนะซึ่งก็จะเป็นผลพวงแห่งการรักตัวเองอย่างแท้จริง คำนี้ก็เอนอนนะครับ